สรุปความเพื่อน er er ําส si ู่การปฏิบัติเมื่อได้กล่าวถึงวิธีคิดที่เป็นโยนิโสมนัสิการมาครบจํานวนที่ตั้งไว้แล้วขอย้ําความเบ็ดเตล็ดบางอย่างไว้เพื่อเสริมความเข้าใจอีกหน่อยเท่าที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าตรวจดูขั้นตอนการทํางานของโยนิโสมนัสิการจะเห็นว่า โยนิโสมนสิการทำงานทั้งสองช่วงคือทั้งตอนรับรู้อารมณ์หรือประสบการณ์จากภายนอกและตอนคิดค้นพิจารณาอารมณ์หรือเรื่องราวที่เก็บเข้ามาแล้วในภายในลักษณะที่พึงสังเกตอย่างหนึ่งของการรับรู้ด้วยโยนิโสมนสิการคือการรับรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามเป็นจริงและเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสติจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต และทากิจต่างๆต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่ารับรู้ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางสติปัญญาไม่รับรู้ชนิดที่กลับผันแปรไปจากความรู้ไปเป็นสิ่งกระทบกระทั่งติดค้างเลเปื้อนที่ก่อปัญหาแก่ชีวิตจิตใจรับรู้โดยจิตใจได้ความรู้จากอารมณ์หรือประสบการณ์ไม่ใจะรับรู้แล้วจิตใจถูกอารมณ์หรือประสบการณ์รรรณรรรณครอบงา หรือล่อพาหลงหายไปเสียซึ่งแทนที่จะได้ความรู้มาแก้ปัญหาหรือได้ปัญญามาดับทุกข์กลับได้กิเลสและความทุกข์มาเพิ่มพูนทับถมตนแม้การคิดก็มีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ลักษณะอย่างนี้คือความหมายส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ด้วยปัญญาอาจมีผู้เสียดายว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาดูจะปราศจากอารมณ์ อารมณ์ในที่นี้เป็นอารมณ์ตามความหมายอย่างสมัยใหม่คืออาจมีผู้เสียดายว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาดูจะปราศจากอารมณ์มีแต่ความแห้งแลง้งไร้รสชาติพึงชี้แจงว่าสำหรับปุถุชนการเป็นอยู่ด้วยอารมณ์คอยจะครอบงำคนอยู่แล้วตลอดเวลาโยนิโสมนสิกามีแต่จะมาช่วยแบ่งเบาแก้ทุกข์ให้ปัญหาบรรเทาลง จึงไม่ต้องห่วงว่าจะขาดอารมณ์ส่วนสำหรับผู้ใช้โยนิโสมนสิการสสำเร็จผลจนพ้นความเป็นปุตุชนได้แล้วก็จะมีคุณภาพทางอารมณ์ใหม่อย่างบริสุทธิ์เด่นชัดขึ้นมากล่าวคือเกิดคุณธรรมข้อการุณามาช่วยสืบต่อกุณค่าทางด้านความงดงามอ่อนโยนของชีวิตอยู่ต่อไปพร้อมทั้งแทนที่จะขุนมัวหมองเศร้าเครียดเหงา กังวลเป็นต้นก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ประนีตเช่นความสดชื่นผ่องใสโปร่งโลง่งเบิกบานใจความสุขความสงบและความเป็นอิสระเสรีสืบต่อไปมีข้อควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมที่เป็นปุปภาคแห่งมัชฌิมาปฏิปทาสองอย่างคือปรโตโกรสะที่ดีหรือกัลยานามิตรและโยนิโสมนสิกานี้ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบุคคลกับโลกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกก่อนที่จะก้าเข้าสู่ตัวมัดที่เป็นองค์รรมภายในเฉพาะตนกล่าวคือกัญยาณมิตรหรือปรโตโคสที่ดีเป็นที่เชื่อมให้บุคคลติดต่อกับโลกอย่างถูกต้องโดยทางสังคมและโยนิโสมนสิการเป็นที่เชื่อมให้บุคคลติดต่อกับโลกอย่างถูกต้องโดยทางจิตใจของตนเองอันได้แก่ ท่าทีแห่งการรับรู้และความคิดซึ่งเป็นท่าทีแห่งปัญญาหรือการมองตามเป็นจริงดังได้อธิบายมาแล้ววิธีโยนิสงมรสิกานเท่าที่แสดงมานี้ได้นาเสนอโดยพยายามรักษารูปร่างตามที่ปรากฏอยู่ในคำพีพุทธศาสนาผู้ศึกษาไม่พึงติดอยู่เพียงรูปแบบหรือถ้อยคําแต่พึงมุ่งจับเอาสาระเป็นสำคัญอันหนึ่ง พึงย้ำไว้ด้วยว่าโยนิสโสมนสิกานี้เป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลาไม่ใช่จะต้องรอไว้ใช้ต่อเมื่อมีเรื่องที่จะเก็บเอาไปนั่งคบคิดหรือปฏิบัติได้ต่อเมื่อปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณาแต่พึงใช้แทรกอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็นไปอยู่ทุกที่ทุกเวลานี้เองทั้งนี้เริ่มแต่การวางใจวางท่าที ต่อบุคคลและสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องการตั้งแนวความคิดหรือการเดินกระแสความคิดการทำใจการคิดการพิจารณาเมื่อรับรู้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่ก่อปัญหาไม่ให้มีโทษแต่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นเพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญาและกุศลธรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัย และคุณลักษณะที่ดีเพื่อความรู้ตามเป็นจริงเพื่อฝึกอบรมตนในแนวทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระ